สุราอจุมารจุมารนี่แปลว่าอะไรนะกลุ่มหมู่ชนหรือกลุ่มชนจุมัรในในุรานสุราจุมารี่อยู่ตอนท้ายๆกลุ่มชาวสวรรค์กับกลุ่มชาวนรกอัลุมารนี่นะ กลุ่มชาวนรกนี่ยเาทำไงก็ต้อนตอนไปไหน <c oughs> นึกเขาเองแล้วก็ส่วนมุมิงผู้ศรัทธาต่อรอเนี่ยเขาเชิญเข้าสวนสวรรค์นึกถึงชื่อสุรรอก็ตึงนึกถึงคนด้วยสุรรอที่สามสบเก้านะครับอายาที่ยี่สิบสี่ أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَمَن يَتَقِي ّ بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ ََ يَوْمَ الْقِيَامَةِ วَ ق قيل للظالم <ت ص في ق> ُ و كما كنتم ت ك س ِ <ت ص في ق> ب و ن كذاب الذين قابلهم فأتهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون، ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن. من كل مسأل لعلهم يتذكرون قرآن عربي طويل ذي عوج غير ذي عواج لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. م ม่ ه له الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ تَمَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ بسم الله ا ل ذ ي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم ر ض ي ت بالله رب وبالإسلام دينا و ب م ح م د الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Allahu mafaatir و وال ا ت والارحى ل ِ م ا ل ِ ع ب و ا ل ش ه ا د ة ر ب ك ل ش ي ء و َ م ل ِ ي ك أ ش ه د أ ن َ ا ل ل ه إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ع و ذ ب ك م ن ش ر ن ف س ي و ش ر ا ل ش ي ط ا ن و ش ر ك ِ و أ ن أ ق ت ر ف ع ل ى ن ف س ي س و ء ا أ و أ ج ر ه إ ل ى م س ل م ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه له الملج وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله معافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصر ي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 ว่ ن จินาตอาฟเสห์วามิดาจาคัลิมัติห์ย์ยา حي ّ يَا قيوم رَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي ك ُ ل ه و َ ل ا ต ك คิร์น ى ن ีลาเ ن ฟริตรฟَต้าَินน์ حصبياللهونعمالوقينالل ฮِม์อินี عوذبك م ม ن َ البرسوالجنونوالجذامومنسيئالاسقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมมาสุบะที่มัสยิดอันวาริสุนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับตับเซร์อัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องเราต้องมองโรคโควิดนี่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์นี่กับคนกาเฟ่นี่มองอะไรไม่เหมือนกันทุกเรื่อง เวลาเรามองอะไรก็ตามแต่บนโลกดุนยาเบนี้เรามองตามที่ท่านน บ, บีสอนสบายใจเรามีพวกมีอัลลอ์เป็นพวกเราเนะี่ยเรายืนพิงอัลลอ์ยืนพิงรอซูลยืนพิงสุฮับนานบีแล้วก็ค น, นคนซอลแลทั่วโลกอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันกับคนที่อิหมานต่ออัลลอฮ์นบีสอนเราว่าโรคระบาด เราต้องมองเป็นอาดาบนาบีนะั้นนบีผูนะ้นั้นมีเป็นอาดาบชนิดหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์อยู่อริบุไมยะชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ให้เป็นหรือให้ตายใช่ไหมแต่สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นมองโรคระบาดเป็นราะห์มะเห็นยังครับไม่ให้ดา่า แต่เราต้องปกป้องตัวเองนบีก็สอนวิธีปกป้องตัวเองก็คือยัางกู้ซูฟีบยทีฮีกับตัวอยู่ที่บ้านดีที่สุดนี่นบีสอนหนึ่งพันสี่รอปีแล้ววันนี้อำมาชัยกันใช่ไหมมีใครนึกถึงนบีกี่คนเตือนพวกเราเองนะนึกนบีนึกถึงนบี ม, มุฮัมมัดกี่คนครับว กักตัวอยู่ที่บ้านนาบีก็สอนอีกวิธีกักตัวทำไงมีสองลักษณะสบิร้อนอยู่ด้วยความอดทนแล้วก็มุฮัตซบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์แล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยระวังตัวแล้วแล้วก็เกิดติดโรคนี้นะครับแล้วก็ตายฟาหุบชาฮีดุนคนคนนั้นผลบุญเท่ากับตายชาฮิดห้ามด่า เมื่อเรารู้ข่าวว่าคนนั้นเป็นมีหน้าที่ขออย่างเดียวอัลลอฮุมัชฟ un ิฮิมอัลลอฮุมัชฟิฮิเราจะให้เขาหายด้วยเถิดอัลลอ์ดึกยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกมีนัลบรสิวลจุนูนิวลยุดามวะมินไัยิลอัสกอมต้องขอดีวากับผมขอวันหนึ่งหลายรอบเ <c oughs> <laughs> พราะนบีสั่งให้เราขอเราก็ขอข อ, ขอตามนบีตัวอย่างนันเดินตามนบีนะครับ ขอบคุณออลนะครับจะอ่านคู่านนี้ได้ความรู้เยอะมากครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีหลายเรื่องขอขอทวนอีกหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่พูดถึงเรื่องขนลุกใช่ไหมขนลุกเรียกในภาษาพูนอานวาตักสายร์ขนลุกตักสายรหรือแปลว่าขนลุกคนที่ขนลุกเนี่ยนะครับคนแบบไหนครับออล นบีสอนเอาไว้นะครับเนี่ผมมาอ่านฮะดีษเพิ่มมาอ่านกุรานเพิ่มมาอ่านตัมซีเพิ่มคนที่ขนลุกเพราะอ่านกุรานนะ ห, หรือว่าฟังอัลกุรานคนลุกน้ําตาไหลมีไหมมีครับคนที่ขนลุกแล้วก็น้ําตาไหลเมื่อได้ยินกุรานหรือเราฟังอัลกุรานเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์ให้อะไร อัลละ์พครัวอัลลอ์นะแต่ห้าตัดอันคอตอยาห์ความผิดของเขานั้นจะร่วงคำว่าร่วงหมายถึงนบีษกษาธิตเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้บาปของเขาที่มีอยู่ที่ตัวเขาจะร่วงแบบใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้บาปหมดสบายใจไหย อัลฮัมดุลิลลา์นี่จะฮะดีสกรตูบีอัลลอฮฺอัลลอฮฺบ้นผิวหนังหรือขนที่ผิวหนั ง, นงลุกเมื่ออ่านอัลกุรอานแล้วกลัวอัลลอเนี่ยรู้ไม่ได้อะไรทำให้บาปของเขาที่ติดตัวอยู่ที่ตัวของเขาจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยอะไรก็ตามเถอะถ้าส่วนใหญ่จะเป็นบาปนั่นบาปเล็กๆจะร่วมลงมาเหมือนกับ ใบไม้ที่หลุดออกมาจากต้นของมันร่วมแบบนั้นเลยนะครับส่วนบาปใหญ่นั่นจะต้องตอบ้าตัวต่วออัลลอฮ์อัลลออักบัแล้วก็อีกฮะดีหนึ่งนะครับ <c oughs> ผิวหรือว่าขนที่ผิวหนังลุกพ่อกลัวอลัลลอ์นี่นะอลัลลอ์จะไม่ให้เขาจะไม่ได้รับอะไรนอกจากอาลัลลอ์จะปกป้องเขาไม่ให้ตกนรก ท้งคนดูละครขนลุก <c oughs> ดูนังเอกถูกทรมานขนลุกอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่เราเนี่ยผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยเราไม่ดูละครอยู่แล้วเใช่ไหมล่ะเราไม่เปิดดนตรีอยู่แล้วเพราะว่าเสียงดนตรีเรียกสจตอนเข้าบ้านเราก็เปิดอัลกรุรอานเราอ่านอัลกรุรอานว่าพออ่านทีนี้ทีบางคนอ่านเ พ, พราะเพราะนะ อ, อัลลอฮ์มันบมันน้าตามันไหลยยนะขนลุกนี่นะนั่นแหละลุกทุกครั้งนะอลัลลอฮ์จะลดโทษ ลกทุกครั้งนะเวลาเราตายนะ Allah จะปกป้องตัวเราไม่ให้ตกนะรกดีหรือไม่ดีพี่น้องอยู่กับอักุรอานนี่แล้วถูกต้องที่สุดแล้วใครจะพูดเป่าหู a l l a ก็เชิญตามสบายเรามีที่เกาะเรามีที่ยึดคืออัลกุรอานเป็นทางนําสําหรับชีวิตของพวกเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพูดอีนิดหนึ่งผู้ใ ด, ดที่อ Allah เปิดเปิดหัว่อกใช่หรือไม่ใช่ซาลาฮซอนรารู อาฟะมันซาระหอัลลอฮุซอดรากุลอิสลามใครที่ไม่รู้จักอิสลามเมื่อก่อนหน้าเนี่ยแล้วต่อมามารู้จักอิสลามเราก็เหมือนกันเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักอิสลามผู้ญาติญาตก็ประคองเรามาไม่ให้เราไปเป็นตกไปเป็นศาสนาอื่นใช่ไหมนะ่ะประคองให้อยู่ในศาสนานี้แล้วต่อม า, าก็มาศึกษาเพิ่มมาเรียนเพิ่มนี่แหละ อามาศึกษาเพิ่มเนี่ยแล้วก็เข้าใจเพิ่มแสดงว่าอัลลอฮ์เปิดใจถ้าอัลลอฮ์เปิดใจอุปกรณนอธิบายยังไง ร, รู้ไหมฟาหัวอาณาโนริมมิร บ, บีคนคนนั้นแหละเป็นพูดเอกพจน์หมดเลยนะคนคนนั้นแหละเขาอยู่บนทางนำเห็นไหมเขาอยู่บนรัศมีนู้แปลว่ารัศมีแสงสว่าง สั่งของใครครับจากพระผู้อาภิบาลของเขาอัลลอฮ์สบาใจไหมนี่ไงพี่น้องเรียนกุอานเนี่ยวันละเปิดใจเราแล้วเนี่ยครับเราก็เอาความรู้เนี่ยไปสอนในภรยาเราให้ลูกเราใญาติพี่น้องเราอยู่กับอุอานี่แหละอยู่กับบ้านเยอะๆมาต้องออกข้างนอกรอกใครจะว่าเราว่าไม่เอาพวกเชิญไปก่อนเราไปโทรศัพท์คุยกับญาติพี่น้องเรานะครับว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราติดต่อกับญาติพี่น้องเราฉะนั้น สนใจศาสนาศึกษาหาความรู้จากกุรานเวลาเลาเปิดใจเราแล้วเนี่ยเท่ากับเราอยู่ในบุญแสงสว่างที่มาจากอัลลอะฺ س ب ح า ن อแุตาสบาใจไหมท่ามดุลิลลาอาวันนี้มาอายุที่2ี่ أفَمَن يَتَقِي ّ بِوَجْهِهِ سُوءَ ا ل ر َ ذ َ ا ب ِ ي َ و ْ م ل ِ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ ز ُ و ق ُ و ا م َ ا ك ُ ن ت ُ م ْ تَكْسِبُونَ أفَمَن يَتَقِي ّ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ ي َ و <tables. S 3> ْ م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذ ُ و ْ ق ُ و ا م َ ا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ทำใจเอาดูเวลาเอารอไปนอกดูสับก่อนนะ อันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนรกคนที่ตกนรกเนี่ยอะไรร้อนก่อนวันแล้วถูกโยลงไปในนรกเนี่ยส่วนไหนเนี่ยถูกไฟก่อนอันนี้เตือนยัตตาีนี่แปลว่าปกป้องอะตควานะนะอาอฟามม ย, ยัตตาีผู้ใดที่ปกป้อง บีวาชิฮีวาหุนแต่ว่าใบหน้าตัวรงวันอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยนะส่วนไหนที่สำคัญที่สุดใบหน้าห้ามตบใบหน้าภรรยาเราเวลาโมโหกันห้ามตบลูกก็เหมือนการตบหน้าไม่ได้ท่านคนที่เรียนาศาสนาเนี่ยเขาระมัดระวังก็ดูแลตัวเองของเขา ก็โมโหขนาดไหนก็ตามเขาไม่แสดงอาการบางคนตบหน้าลูกอ่ะเตะลูกอ่ะมันเตะได้ยังไงแสดงว่าเองในมันได้ฟังศาสนาและเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักอิสลามถึงได้ทำทุกอย่างไม่ต่างอะไรกับคนกาแฟนะฉะนั้นใบหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดห้ามตบหน้าครับพูดทั้งเรื่องโมโหลูกหลานเนี่ยก็ขอด้วนะดีกว่านะ มีเล่าหลายครั้งเรืเล่าใหม่เพื่อนำมาไปใช้มีบ้านหลังนี้มีแขกมาทานอาหารแล้วก็แม่ก็จัดอาหารพอกำลังจัดอาหารอยู่ยังไม่เสร็จเนี่ยลูกๆเนี่ยมันก็ซนเนี่ยนะเตะนู่นเตะนี่ไอบอลเล็กๆเนี่ยมันร่วมไปอยู่ที่อะไรนะบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะ หรือซาฟาร์เนี่ยวางอยู่ที่พื้นไปว่างหมดเร า, เอาอาหารเนี่ยเลอะหมดเลยอ่ะแทนที่แม่จะด่าลูกแม่ขอโนอาโอโอัลลอฮ์ให้ลูกฉานคนนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดในนครมักกะกับนครมาดีนะวันนี้ได้ไปแล้วครับนี่ไงเป็นยังแม่ที่มีาศาสนาแทนที่เขาจะโมะโหเขาไม่โมโห กับขอด้วย อ, อลัลลอฮฺจะให้ลูกสันคุนีได้เป็นอิหม่ามจะมากะกับที่มาดีนะวันนี้ได้ไปแล้วยาเอ่ยชื่อว่าใครเน <c oughs> <c oughs> อยังครับท่านอยู่ที่มารยาทหมดเลยอ่ะท่านก็เรียนศาสนาเรียนเพื่ออะไรครับเราก็ต้องประครองตัวเองเนี่ยไม่ให้มีมารยาทที่ของใช้ตอนะเอามาใช้นะครับตัวลวงว่าอาฟาไมยัตตะกีบิวาเจฮีดังนั้นผู้ใดที่ปกป้อง ใบหน้าของเขาซูซบแล ว, ว่าความชั่วอันอาดับแต่ว่าการลงโทษการลงโทษที่ชั่วนะครับชั่วช้าเนี่ยนะในวันเตียมาดํงนั้นผู้ใดที่ปกป้องใบหน้าของเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันเตียม ทำไมเอาลอบพูดเรื่องปกป้องใบหน้าเพราะว่าเวลาจับโยนในนรกสิ่งแรกที่ร้อนก่อนคือใบหน้าครับไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ละอาผมเชื่อผมกลัวแล้วอาวันนี้เราเนี่ยเวลาคนเขาด่าเรามาเราก็โต้ตอบบ้างอะไรบ้าง ผู้รักษาใบหน้ากูไปอะให้หมาอย่าอย่าพูดใบหน้าสิไม่มารักษาแขนล่ะรักษาใบหน้ากลัวหน้าจะเสียกลัวนุ่นจะเสียอนี่จะเสียแล้ววันนี้นะจะทําอะไรมาเริ่มเจะใบหน้าหมดเลยใช่หรือไม่ใช่มีผู้หญิงอยู่คนนึงไปทําหน้ามาบางคนก็สวยบางทีก็บเบี้ยวใช่ไหมอะก็อ่านหนังสือพิมพ์รู้นี่ฉะนั้นผู้ใ ด, ดที่ปกป้องใบหน้าของเขาจากการลมโทษ อันชั่วช้าในวันเียมะธรรมะพูดทางใบหน้าเพราะว่าเป็นอวัยวะแรกเมื่อโยนลงไปในนรกปั๊บใบหน้าจะร้อนก่อนเพือ <c oughs> <c oughs> ่อนเลยเนาะ้อจ้ะเตาให้ตกเลยนะอย่าให้ตกนรกเลยดีกว่า <c oughs> นะตกลงว่าผู้ใดก็ตามที่ปกป้องใบหน้าของเขา และการปกป้องใบหน้าที่ดีที่สุดอยู่บนดุนยานี้ทำอย่างไงครับนี่เปความรู้บนเลยนะครับพี่น้องไปเดินหาตามถนนไม่เจอไปหาที่4ีคอนก็ไม่เจอครับต้องมานั่งทีมัสยิดแล้วก็เปิดกุฎอ่านดูวิธีปกป้องใบหน้าไม่ให้ถูกไฟในโลกคืออาบน้าน้ำม า, าม น, นมารครับอาบน้า้มาครับเราอาบน้าน้ำมันวันละกี่กี่ครั้ง สุอหัดยุตอาบบางคนนัมาสิบีใช่ไมอาบน่มาดอีกแล้วก็นอนอาบน่าดใช่หมนัมาดบ่ายอีกนมาดออีกนมาดมริบนมาดอิชานมาดตะฮัจุอัลลอฮอับดีอานนมาดอย่างเดียวปกป้องใบหน้าของท่านไม่ให้ตกนรกเวลาอาบน้นมาจะไม่นมาดอ่ะ เราก็ต้องเตือนกันนะมารยาทลุ่นลูกอามน่านามัดถามมีมีคนถามนบีประมาทนบีประมัดจะจําหน้าอุมมาของท่านได้ยังไงมันเยอะมากอ่ะตอนนี้มันประชากรในยุคนบีตอนนี้มันเจ็ดพันล้านอย่างนี้แล้วที่รับอิสลามนี่ยเราก็ผ่านอามน้ํานามาดัดประมาณสองพันล้าน มีคนถามนาบีนี่ฉันฉันรู้เขาคนที่ปฏิบัติตามฉันเนี่ยจะมีใบจะมีรัศมีที่ใบหน้าของเขาเ <laughs> พราะร่องรอยของการอาบ น, น้าน้ำมาด ท, ที่เท้าด้วยที่มือด้วยที่ใบหน้าที่ศีรษะด้วยที่เขารูปศีรษะของเขาเนี่ยมีห a d i t นะครับขอยมัม น, นาไซ อ, อธิบายบอกว่าอิดะตาวบบะลาอับดุลมุมินเมื่อบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอาบ น, น้ําน้ำมาด ฝา ม, มาดมาบอนแล้วก็อะไรเอาน้ําใส่ปากแล้วก็กู้อปากนี่นะครับความพิดที่อยู่ในปากของเขาหลุดออกหมดลแล้วจะต้องเนียดนะฉันเนียดอาบน้ําน้ำมาดเพื่อเอาล้อกับอาบน้ำน้ำมาดไม่ได้เนียดคนกาแฟก็ อ, อาบน้ำแบบเรานี่ยล่ะใช่หรือไม่ใช่แต่เนียดต่างกันไหมต่างกันเขาไม่ได้เนีได้ะไรเลยเขาเนียดเพื่ออาบน้ําให้มันสะอาดอย่างเดียวแต่เราเนี่ยอาบน้ําน้ำมาดเนียดเพื่อเอาล้อ อาบน้นํานำมาก็เพื่อ อ, อัลลอฮฺอาบน้าก็เพื่อ อ, อัลลอฮฺเห็นไหมเราเนียดครับพอไม่เนียดภาพนี่ยมันแตกต่างกับคน ก, บกับคนไม่ไม่ต่างคนกาเฟคนเนียดภาพนี่ยมันแตกต่างทันทีนี่นบีศอ น, นะครับเมื่อตอนที่เขาเอาเอาน้ําใส่จมูกด้วยมือซ้ายแล้วเอามือขวาสา่งออกมานะครับความผิดในจมูกออกหมดเลยเห็นไหมเวลาเาล้างใบหน้าของเขาความผิดใบหน้าของเขาตั้งแต่ เนี่ยดติ่งหูนี่ติ่งหูนี่หน้าผากทั้งหมดถูหน้าเนี่ยค่อยๆถูหน้าสามครั้งความผิดที่อยู่ที่ใบหน้าออกหมดเลยนะครับแล้วก็ที่แขนเหมือนกันที่ศีรษะที่เท้าที่น้องเนี่ยต้องถูให้มันไรนะแบบรอบครอบทำให้สมบูรณ์ให้ครบซึ่งการอาบน้ำมาเราก็ต้องเตือนกันตัวเราเองก็ต้องนึกไม่ใช่อาบแบบลวกๆนะช้าๆ แล้วก็อย่านุ่งผ้ากมาบงคนนุ่งผ้ากมาตัวเดียวอาบน้ําก็อาบน้ําได้แต่ว่าอาบน้ำนมาดมันก็ต้องอยู่ข้างนอกอย่างนี้แต่งตัวให้มันเรียบร้อยนยอย่าอย่าเปิดทั่วเข่าเพราะนบีเห็นไซนาอาลีนอาบน้ำนมาดล้วก็เปิดทัวเข่านบีกับอาลีทั่วเข่าเป็นเอาลอน้าปิดซะนั่นสอนลูกเขยตัวเองฉะนั้น การปกป้องใบหน้าของเราไม่ให้ถูกไฟนรกคืออาบ น, ามนมา้าน้ำอาดพยายามอาบ น, ามนมา้ำนะมอาดตามซุนนะนบีไอเช็ตะแตะสามครั้งนี่ไม่ใช่ของนบีนะไม่ใช่ของนบีนะเดีน้องไปศึกษาเองมาเอามาจ า, ากใครใครสอนนบีเนี่ยช็ดครั้งเดียวปาอย่างงี้เอาออกมา ของนี่คือของนบีพยายามเรียนว่านบีทํำยังไงถ้านบีไม่ได้สอนคอยมองจากคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้านบีสอนพยายามถามท่านนบีว่านบีถามอิหมาม่ะอิหมามครับนบีอาบน้าแบบไหนสอนเ่าหน่อยมันก็ต้องไปศึกษามันก็ต้องไปเรียนนะไม่ใช่แบบนบีฉันไม่เหานะมันต้องแบบนบีแต่พูดจาดีๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ การเดินไปมัสยิดอัลลอฮฺอาบดุเนี่ยนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละถึงเราะมองข้ามไม่ได้ผู้ศรัทธาต่อรอบมองข้ามไม่ได้เลยของที่นบีทำนั้นเป็นรูปแบบที่สวยงามที่สุดตกลงว่าวิธีปกป้องใบหน้าของเขาไม่ให้ตกนรกในวันเตียมะทําไงรู้ไหมอาบน้าน้ำาบแล้วก็สูยูดใช่ไหมรอยสูยูดที่หน้าผากของเขานั่นนะครับ บนรุญนยาบางคนอาจจะไม่มีร้อยเลยก็ไ็นมีปัญหาหรอกใช่แต่ว่าแผ่นดินเนี่ยรับรู้หมดแล้วเราสูญอยู่ตรตงไหนก็ดันแผ่นดินรับรู้หมดเลยนะครับวาตีละลิลลิมิแล้วก็จะมีเสียงกล่าวกับคนที่ร้อเล่มคนอาธรรมคนที่ไม่รู้จักอัลละ์เรียกว่าคนอาธรรม คนที่ไม่เคยอามน้ำนํำนามาดคนอธรรมคนที่ไม่เคยสูย่ยูต่ออัลลอฮ์คือคนอาธรรมคนที่ไม่ให้เกียรติสุนานะนบีคือคนอธรรมแล้วคนอาธรรมเนี่ยเป็นไงครับมีเสียงพูด ว, ว่าลูกูจงชิมจงชิมมากุณตุมตักศีบุญจงลิมรด หรือจงชิมสิ่งที่พวกท่านได้ขนขวายได้ปฏิบัติไว้บนโลกดุนยาเถอะคุณอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้สารพัดทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ให้ภรรยาบางคนมีตั้งสิบกว่าคนแล้วก็บางคนก็มีบ้านตั้งหลายหลังมีรถตั้งหลายคันมีที่ดินอยู่หน้าซีคอ น, นก็หลายสิบไร่อ่ะ แต่ไม่ได้เคยจ่ายอา ก, กาศของอลัลลอฮ์สังบาลนักนะไม่เคยสู้อยูต่ต่ออลัลลอฮ์เลยอนะไม่เคยบริจาคให้ใครเลยนะอลัลลอฮ์ให้คุณเต็มที่อนะ่ะแต่ไม่เคยนึกถึงอลัลลอฮ์นะถามว่าใครสร้างคุณมาฉันเกิดขึ้นมาเองนะอ่ะใครสร้างแผ่นดินเออเกิดมาเองใครสร้างชั้นฟ้าชั้นฟ้าก็มาเองอนะ่ะจบแต่มียาโทรมียาเองอนะ่ะแต่คิดอะไรไม่ออกนี่เล่าแค่นี้พอแล้วนะเพราะมันกระเทือนหลายคนนะ่ะ อัตุลงว่าวาคีลาลิรวลีมินและจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้อาธรรมอธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่ต อ, อรรตสังคมนะครับอธรรมต่ Allah, ตออัลลอฮฺตลอดสุนเรารรดาคนซนและด่าคนดีเข็นข่าพี่น้องมุสลิมแล้วก็ด่าพี่น้องมุสลิมมาไปผู้ก่อการาจะเป็นใครก็ตามนะครับในโลกนี้อัลลอฮฺจัดการหมดเลยนะครับต่อมาครับอายาที่ยี่สิบห้า คดับ الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون คดับ الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله อัลกรุรอนอายะนีดีมากครับอยายะนี้อัลลอฮฺได้ประทานให้ยิบรีนพามาให้นบีนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยที่อ่านกุลตร้าให้นึกก่อนหน้าอ่าก่อนหน้าก่อนหน้านาบีที่มาก่อนหน้านาบีมอมหัดมนาะเยอะหรือไม่เยอะ ที่มีชื่อในกุรอ่านเท่าไรยี่สิบห้าท่านที่ไม่มีชื่ออีกเป็นแสนใช่ไหมเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วก็นบีคนแรกของโลกคือนบีอาดัมเกิดมาจากอะไรครับดินมีพ่อไหมพ่อไม่มีแม่ไม่มีแล้วก็สร้างภรรยาอาดัมเนี่ยาจากซิโคของอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ สร้างนบีอีสาห์ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่นี่วิธีการสร้างของอัลลอฮ์เล่าให้นักพีกรอา์ให้เราเปิดหูเปิดตาแลาา้วรัรับผิดชอบหมดอมนุษย์มนต้องมาเหนื่อยไรเลยอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นความรู้ทั้งหมดล่าว่าไงรู้ไหมการซาบดูสับนะการซาบแปลว่าไม่เชื่อหรือปฏิเสธ อัลลอฮนินามิงกบลีฮิมคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นอภัยให้ไพเราะนะ่ก็คือบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธการสอนศาสนาในสมัยที่ผ่านผ่านมาแล้วเช่นในสมัยอีสซามูซานบีโนะนบีอิบรอฮีนนบียูซุฟใช่ไหม พวกนี้น่ะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนใหญ่ไม่เชื่อ อ, อยา่างนบีมูซาเนี่ยมาสอนใครสอนฟาโรหามานกอรูนพวกนี้ตำแหน่งใหญ่ไหมใหญ่มากเลยเป็นคิงด้วยนะแล้วก็มีทรัพย์สินมหาศาลพวกนี้เข้าใจว่าเงินช่วยได้พวกนี้เข้าใจว่าตำแห น, น่งช่วยได้ ผู้ที่เข้าใจผิดว่าชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศที่อยู่ในสังคมจะช่วยได้จะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ลรฟาโรห์เป็นปน้องจมน้าตายตําแหน่งอะไรครับตําแหน่งอะไรใหญ่ไหมใหญ่สุดๆเลยอ่ะในแผ่นดินอียิปต์เนี่ยไม่มีใครใหญ่แล้วก็ฟาโรห์ในรวยที่สุดใช่ไหมเงินช่วยได้ไหม ของที่ช่วยได้ในอีมานน่ะเข้าใจผิดกันเยอะบนโลกดุนยาใบนี้เข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจว่าเงินตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศช่วยได้บนดุนยาใบนี้ช่วยได้บนดุนยาใบนี้อลัลลอฮ์ช่วยได้อลัลลอฮ์ให้ช่วยดุนยาใบนี้ผ่านแต่หลังตายไม่ผ่านน่ะอาซาคุโบมาเงินช่วยได้ไหมตำแหน่งช่วยได้ไหม เป็นนั่นเป็นนี้อยู่บนโลกเป็นนายสภาด้วยอ่างตำแหน่งอะไรก็ตามแต่จะชีวิตนะักบเองทําอะไรไหวบาปบญญานนี้ช่วยไม่ได้เลยนะท่านยายอ ย, ย, ย, ย, ยาเข้าใจผิดนะเพราะนั้นอัลลอฮฺเลยสั่งนบีว่าให้นบีมาสอนญาติน้องนบีอบุลละฮับอบูยานพวกเนี้ยพวกนี้ก็ตําแหน่งใหญ่หมุดเลยนะโหอักบัดใหญ่จริงๆอะ่ะแต่พวกนี้พูดว่าใครๆอิสลามดีต้องมาถึงฉันก่อน ไปถึงมูฮัมมัดไปถึงหลานยังได้ยังไงไม่ได้มันต้องถึงชั้นแตเป็นไงครับตา บ, บัตยาดาบิลาบิวุอาตาบะเห็นไหมอับบูละฮับไปไหนไปนรกอบูตอลิบไปไหนไปนรกหมดเลยนะทั้งที่ทดูแลนบีมาอย่างดีนี่พูดใหม่นะแล้วก็รู้เรื่องหน้าว่าหลานตัวเองจะได้เป็นนบีก่อนเป็นนบีรู้มากี่ปี ยี่สิบแปดปีเห็นยังไงนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดไงท่านเราเนี่เกิดในสมัยในว่าต้องยึดนบี ม, ม, มุ hammad กับอัลกุรอานเนี่เป็นทางนำสำหรับชีวิตเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีครับอัลลอฮฺกระเบนลลีนมินกอบเหลิ่ยมบรรดาก่อนหน้าพวกเขา ได้พูดว่าหรือได้ปฏิเสธว่าของที่น บ, บีของมเขานำมาสอนนั้นเป็นเรื่องโกหก เ, เราวันนี้ก็ไมกันถ้าจะเดินตามคนรุ่นก่อนเดินได้มได้ฉันไม่เชื่อมูฮัมหมัด ม, มูฮัมหมัดนำอะไรมาสอนฉันไม่เชื่อก็เชิญตามสบายเริสกี้ยังให้ไหยังให้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นเหมือนเดิม รถเอาไปเลยห้าคันเมียอีกสองคนสี่คนอไปเอะมีบ้านอีกร้อยหลังปิดแท็กซี่อีกสองพันคันตอนนี้จอดเป็นแถวหมดเลยใช่ไหมย่ก็ะ <c oughs> ออ่านดูโอ้โหแท็กซี่พันคันห้าร้อยคันจอดเรียบหมดเลยครับนี่อัลลทดสอบให้เห็นนึนกกดะได้บ้างอะ่ะแต่เราลองนึกออขอบคุณอัลล อ, อ์มาได้มามัสติจก็เสียใจยเลยนะ <c oughs> ไม่ได้นมาเป็นก็เสียใจอยู่แล้วนะแต่บางคนดีใจพระนิสัยเดิมกูไม่มาอยู่แล้วมาเจอโรคโควิดนี่โอ้โหสบายใหญ่เลยคนห้ามดีใจขอบคุณ Allah มีโรคโควิดตัวเองเมื่อตั้งมาฮะสุราพราอเดิมนิสัยเดิมมันไม่มาพอไม่มามันกับเป็นพวกกันหมดเลยแต่เราน่ะเสียใจนะได้ยินเสียงอาจารย์อยจะมามัสยิด Allah รู้ อาภัยยับไปเลยอาจารย์ยับไปแล้วเอาเอาเอาเ อ, าเ อ, าเ อ, าอ้ามาที่บ้านกันทำตุลิล่ะฟาตาฮุมูลอาซาบคนที่ไม่เอาอันาบีในยุคก่อนๆเนี่ยรู้ไหมอะไรมาหาเขาอาซาบใช่มั้ยการทรมานการลงโทษอาตาฮุมมาหาพวกเขาเหล่านั้นเห็นยังครับเนี่ยเราเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็เรื่องของเองนะ่ะ แต่คนเชื่อปลอดภัยไหมอัลฮัมดุลิลละกาละบัลละดีนามิงกอบลิฮิมบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้พูดว่าการสอนศาสนาในสมัยของเขานั้นเป็นเรื่องโกหกฉันไม่เชื่อนบีมุซาฉันก็ไม่เชื่อนบีอิบราฮีมฉันก็ไม่เชื่อแล้วนี่ไม่เชื่อไม่ว่าอีกนะจับนบีอิบราฮีมโยน ใส่ไฟแล้วก็ตายด้วยไม่ตายใครครุ้มครองก <laughs> ันยังครับเพออาราะอานไปก็เจอ อ, อ, อัลลอฮฺฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อนบีของเขาในยุค ข, ของเขาน ะ, ะอาตาหูมอัลลอฮฺล่าให้นบีฟังพูกนี้ไม่ใช่รอดนะถูกลงโทษหมดการลงโทษ ได้มาอย่างพวกเขาเพื่อการลงโทษได้เกิดขึ้นแล้วแก่พวกเขามินไฮสุลายาโสรุนมาจากแหล่งใดพวกเขาไม่รู้มาจากแหล่งใดพวกเขาไม่รู้อย่างฟาโร่เนี่ยไม่รู้มาก่อนเลย ว, ว่าตัวเองจะต้องจมน้ำตายนะไม่เห็นนึกเลยฮนะเห็นมูสาเดินใช่ห น้ำทะเลมาเปิดให้ทะเลกว้างนาบีมูซาก็เดินพาพวกบริสวอิน ล, ลงทะเลพอขึ้นทะเลปั๊บฟาโรหมาพอดีอ่ะนี่มันน้ำมันเปิดอยู่นี่นี่ว่าก็ลงตามนาบีมูซานึกมาก่อนไหมไม่ได้นึกแล้วไปไงรอดได้ไหมรอดไม่รอดพอลงไปเต็มที่พอะเจ็ดแสน 7, คนตายเรียกหอเลย นี่ไอาซาบมาโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเราวันนี้ก็เหมือนกันเอ่นะครับถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูนโรคโควิดมาเองตายฟรีนะถ้าเองยึดอัลลอฮ์และรอซูลยึดอัลกุรอานยึดสุนานะนบีในการหายใจเข้าออกเนี่ยเองตายเพราะโรคโควิดก็จะตายอะไรตายเฉีังจะเอาตายแบบไม่มีเฉีดหรือตายเฉียดดีคิดตัวเองเราไม่บังคับใครนะ เพราะอิสลามเนี่ยห้ามบังคับคนฉันมีปัญญาเอาลองให้ใช้ยปัญญามาใช้ปัญญาตัวเองถ้ายออกไปนั่งคุยดิคุยกับเมียก็ได้เอออิสลามดีนะอิสลามหรือไม่ดีเอาคุยกับเมียเอาถ้าเมียมีศาสนาเร า, า ก, ก็นึกเองหนี้อยู่กับอลัลลอฮ์ราซูลถ้าถูกต้องแล้วอย่างงี้ป็นต้อ น, นนะนะเอาต่อมาครับที่รีนายทัฟซิกอธิบายดีนะ <c oughs> คนที่ไม่เอาเอาลัลลอฮ์ในสมัยก่อนเนี่ยมีโทษอะไรบ้างประมาณ สิทโทษหนึ่งอลัลลอฮเปลี่ยนรูปคนให้เป็นรูปสัตว์ในสมัยบริอิสราเอลถูกมาแล้วข้อที่สองทำให้แผ่นดินสูบกอรูนข้อที่สามเกิดแผ่นดินไหวอันที่สี่เกิดเสียงฟ้าผ่ากัมปนาศอย่างโกมุ ล, ลูดเน่ยใช่ไหมนะ ที่เดซีปัจจุบันเนี่ยนั่นอาดับห้ารายการนะทยอยกันมาห้ารายการนะหนึ่งมล า, ายกาตบหน้าก่อนเพราะว่าไปล้อมบ้านนาบีเพราะว่ามล า, ายกาเนี่ยลงมาเป็นผู้ชายรูปหลอ่อมานั่งกันนบีนบีรูดทวงนี้เห็นเป็นแขกมาบ้านนาบีล้อมอ่ต้องการให้นบีรูดส่งแขกมามล า, ายกานาบีรูดก็กลัวนะ่ะเฮ้ยนี่มันแขงฉัน ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันพอแสดงตัวเป็นอาาะอรกันเท่านั้นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์มาาัลเลกาตอว่าไม่พอมือฉัน <c oughs> แสดงออมาแล้วครับตกหน้าครับตาบอดหมดเลยพวกผู้ชายผู้ชายเกยทั้งหลายอ่ะมายุนรุมบ้านนบีนบีนบีรุ่น่ะมัลเลนะกาเอาเปรตตกหน้าตาบอดหมดเลยครับประกาศสอบให้ฝนตกลงมาเป็นก้อนเหินนะ่ะให้แผ่นดินไหวอนะีก่ะพี่น้อง ห้ารายการในทางสุดท้ายก็คือเก็บไว้เป็นเดซีปัจจุบันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่มาอย่างพวกเรานี่นะจะได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เตือนพวกอาหรับซาอุดีเองมาเดินผ่านเดซีมาไปทํามาคาขาที่เมือง น, นู้นได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเดซีนี่เป็นยังครับฉะนั้นเราไปเดซีต้องนึกตอนนี้ไปไม่ได้โควิดเยอะใช่ไหม อธิบายมาแล้วได้คอาคิดอะไรบ้างก็ต้องนึกครับอย่างมีเป็นต้นแล้วก็น้ำท่วมนาสมัยไคยนบีบรอฮีมใช่ไหมใช่แล้วก็ตายกี่คนตายหมดลูกเมียตายเห็นยังครับแล้วก็เกิดสงครามดีกันแล้วก็นบีเนี่ยถูกจับซาบานนบีถูกจับเป็นเชลยเนี่ย อยู่แบบไร้เกียรติอย่างพวกบนออันนีอิสราเอลพวกยิวเนี่ยถูกอยู่แบบไร้เกียรติไม่มีทินที่อยู่ใช่มหมแต่ตอพอมายึดปาเลสไตน์ครับใช่ไหมเราก็เอาทหารไปคุมกันหมดเลยนะลราเห็นข่าปาเลสไตน์ทั้งหมดนี่ผิดหมดเลยนะอันนี้ก็เล่าเป ก, การเมืองเล็กๆ เ, เ, เพื่อกระจใจอิสลามว่าใครที่แอนตี oh, ้อัลลอฮ์แอนตี้รอซูลนบีมุฮัมมัดนะครับในยุค ป, ปัจจุบันนี้นะ อัลลอฮ์จะไม่ทรงโลดจะไม่ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์จะให้เขามีเงินทองใช่มีเกียรติยศในสังคมมีคนเคารพยกย่อมเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ในนู่นในสภุสภาเอาไปเลยเชิญตามสบายนะครับแต่พอเวลาความตายมาถึงขอหอยป่ายัมฟาโรเนี่ยพอความตายมาถึงขอหอยอามั่นตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีองเดียวพูดทาไม เอ็งต้องไม่พูดสิอย่างอายาสุดท้ายของสุรที่ผ่านมาเนหะ็นไหมเขาจะรู้หลังจากนี้อีกเล็กน้อยมาถึงเวลาความตายมาหาคุณคุณจะรู้ทันทีเลยว่าที่เราอยู่แบบผิดๆเนี่ยแบบไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารซูไลไม่เอาสุนนะบีมาใช้เนี่ยอยู่แบบผิดเนี่ยเสียใจหมดเลยครับแล้วก็ขอร้องอัลลอฮ์อัอลออลอฮ์จะให้ฉันกลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งบนโลกดุนยาใช่ไหม มาเลยก์กาถามว่าเอาออกมาจากโลกดุนยามิใช่หรออ่าแล้วก็ ข, ขอมาทําไมอย่โลกดุลยามเพิ่งรู้ว่าโลกดุลยาไม่ใช่โลกแห่งการเที่ยวไม่ใช่โลกแห่งการทําความสุขแต่โลกเพื่อปฏิบัติงานศาสนาขององค์โลกเพิ่งจะรู้ไงตอนไห น, นตอนตายอะเราแก้ทันแา่ฉะนั้นเรียนศาสนาก่อนเรีย น, นอา่านตรงนี้แหละค่อยเรียนไปค่อยๆปรับปรุงไปค่อยๆแก้ไขตัวเอง ทำงานศาสนาอิสลามสำคัญคำอิสลามมันเรียกว่าเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดไม่มีงานอื่นแล้วสําหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ทั่วโลกนะครับพี่น้องเชิญชวนมีตัวเองให้รู้จักอัลลอฮ์เชิญชวนลูกตัวเองหลานตัวเองครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องตัวเองให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มีความสามารถมากกับไปสอนคนอื่นอีกเป็นภาษาอังกฤษเป็ภาษาลาบภาษาละกอต้าไปแล้ก็ไปใช่ไหมเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮฺเป็นงานที่ประเสริ์ที่สุดนะครับแล้วก็ต้องอดทนด้วยนะถูกด่ามาถูกไล่มาให้ทำตัวเหมือนใครเหมือนนบีอามาัดที่เมืองไปเมืองตออิฟถูกกี่เรื่องสามเรื่องถูกไล่ถูกดา่าถูกความดุเห็นเป็นไง กับขอวาา่าอัลลอฮมังฟินเรียกามีนี่งานมารยาทแบบนี้อามาใช้จะทำงานาศาสนาถ้าสาบายไม่เป็นอย่าไปทำนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละถ้าทับต้องอดทนครับถูกดา่าถูกตำหนิถูกใส่ร้ายต้องทำให้อภัยหมดเลยต้องโอโ้ต้องมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจับหูในงานตามมาเยอะนะครับอเอาต่อมาครับ เคยได้ยินหรือเปล่าว่าในสมัยน บ, บีมูซานมีน้ําเป็นเลือดคดีใช่ไหมนั่นละมีน้ําเป็นเลือดมีในสมัยมูซานะแล้วก็มีเขียดตักน้ํำเจอเขียดแล้วก็มีเหาบนหัวคนแบบเต็มหมดเลยนะนั่นอาสาบหมดเลยอ่ะแต่ไม่รู้สึกตัวกันไงวันนี้มันกันโรคโควิดนี่อาสาบเป่าอาสาบครับแต่สำนักตัวกี่คนน่ะ เราต้องนึกครับอุลโลนี่อาาบมาแล้วอนี้เนต้นนะครับเอาพี่น้องมาต่อมาอายะี่ยี่สิบหกาละกอฮุมุลลอฮุลขิจญี่ิล hayat id dunya و لعذاب ا ل aakhirati أكبر แ a ้วแกนู a ะร a ้นวบอันเป็นอาญาณี่เดียวจริงๆนะครับที่เรื่องจริงนะ فأذقهم الله الخير في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ทำดูริลอัลลอฮ ล, ล่านะาดูสับคริสตยุนแปลว่าอะไรความอับประโยชน์อัประยชน์นี่แปลว่าอะไรความอับอาย <c oughs> ความอัประยชน์บางคนถูกอัลลอฮลงโทษให้อับประยชน์แต่ไม่รู้สึกตัวมีไหมเยอะมากครับบนดุนยาใบนี้นะ All เราเล่นงานคำบุญดุลยาแบบนี้แต่ไม่รู้สึกตัวครับนายอาญาอื่นอธิบายอย่างนี้อ All จะให้เขาเพลินกับการกินเหล้าเพลินกับการเปลี่ยนผู้หญิงนอนเพลินกับการเต้นรําเพลินกับการดูละคร เพลินกับการเล่นการพ น, นันเพลินกับกับอะไรของฮาราบราหมดเลยนั่นคือความไหายานะแต่รู้สึกตัวไหมมารู้สึกตัวกับนี่อัลกิซียนี่ฟาอาจากูมุลลอฮุลกิซียและอันนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงให้พวกเขาอาซาบะวะลิมรสหรือชิมรส อัลขิสิュบาดึงความอระยโทษฟิลไฮา ย, ยาในโลกดุญาอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆอััะยโทษนะคนที่ไปหาโตตะเกียนอั ะ, ะอภัะยโมัไหมอภปยโทแต่มารู้สึกตัวนะ่ะมึงไปกูไปเออไปก็หลายคนเว้ยมีอบตก็มาด้วยเออพวกเยอะอ้าวเชิญเลย ไอคนนี้ก็กินเหล้าไอคนนี้ก็กินเหล้าโอ้กินเหล้ากันเยอะเนี่ยนะไอคนนี้ก็เป็นโอ้ลูกหลานอิหมั่งกินเหล้าเราก็กินด้วยอภัยโทษแต่รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวครับเอาผู้หญิงมานอนอยู่ที่บ้านแต่งก็ไม่ได้แต่งทดลองอยู่กันก่อ น, นพอราะฝรั่งสอนว่ามาทดลองอยู่กันก่อ น, นสักสองปีสามปีถ้าดีนี่กะถ้าไม่ดีเลิก น, นั่นคิอยุณความชิมหายหมดเลยอ่ะ ความอับอายยศแต่รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวครับต่งอีกเป็นตัวชิริกชิริกเนี่ยถ้าจะไปหาโตที่ไปหาโ ต, าตเลยนะไปหาหมอดูจะแต่งงานลูกเหรอนี่ความอับยยศหมดเลยนะครับเข้าใจวนะความอัปอายยศบนโลกดุนยาที่พวกเขาปฏิบัตินั้นนะ่ะเขาหารู้สึกตัวไหมว่าเขานกําลังทํำบาปอย่างแรง แต่มันเพลินนะไปหาหมอดูก็เพลินนะมีเงินไม่จ่ายสกาดดีไหมอ๋อโลรักขวัตเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในในอายะคุรานนะสุรอื่นพูดอย่างนี้เพราะว่าพ่อเราเนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเนะี่ยเป็นครอบครัวที่มีาศาสนาเลยนะพ่อเนี่ชอบบริจาคบริจาคบริจาคบริจาค เวลาไปเก็บผลไม้ม า, มากราบริจาคใครเดินผ่านให้ผลไม้หมดเลยลูกประชุมไปบอกพ่อเราเนี่ยนะโง่บริจาคทําไมอ่ะนี่ถ้าพ่อไม่บริจาคนะเอาเงินนี่เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเอาไว้นตอนนี้เรารวยแล้วประชุมว่ากจะพ่อตายนะเราเลิกที่พ่อพ่อทำเอาไว้แบบเนี้ยเราไม่ทำหรอก พอพ่อตาเสร็จแล้วก็ประชุมกันวันนี้เราจะไปเก็บผลไม้อยาให้ใครรู้นะีคนจนๆเนะ่ยสมัยพ่อนะ่ยอยาให้ไปสวนเราเรยเด็ดขาดพอประชุมเสร็จแล้วว่าจะออกกันตอนตีสงตีสามตอไปไกลหนะ่ก็นั่งรถสมรรถมีรถมาอนะไรม้พระพุทธิพพ์ไฟไหม้ไฟหมดหมดทั้งสวนเลยนะ่ย เรามาบิดผิดที่เปล่าวะเนี่ยมาผิดที่กรืเปล่าเไฟไหม่หมดเลยแล้วก็มีคนดีบอกว่าเองเนี่ยทรยศตอนแล้วทรยศยังไงนี้ทัพย์สิขอ ง, งฉันน่ะก็เขาเล่าไอ้คุณเล่าไอ้ลูกสาวว่าพ่อคุณตอนดีๆอยู่เนี่ยพ่อคุณชอบบริจาคนะคนยากคนจนมาเนีดูแล ก, ก็หมดเลยนะแล้วพวกเองมาทําอะไรไวะเดี๋ยวนี้คนจนก็แม่ให้ข้าวี่งานอาสามาแล้วรูสตัวไหมอนะ่ะ อย่างนี้เป็นตัวนี้เตือนนะเตืนนอนนะกามีอานอย่าเป็นคนที่ขี้เหนีย ว, วเยวล า, ลาลที่อัลลอฮ์ลงโทษเป็นไงครับละใครโวยวายได้ไหมล่ะให้ไฟมาเนี่ยเรียบร้อยเลยอย่างนี้เป็นตัวนั้นอย่าตะกับบุตรมีเงินต้องบริจาคครับยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มเพราะกุรอานอธิบายว่ายุคลีฟูใครที่บริจาคเงินอันลลอฮ์จะเพิ่มเอามาทดแทนของที่ดีกว่า ที่ท่านบริจาคออกไปในนามของ Allah Subhanahu wa Taala ฟาอาดาบุลลอฮุลคิสยาคิสยาเป็นไรนะความอภัยโทษในชีวิตบนโลกดุนยาต่อมาครับวาลาดาบุลอัครีรอที่อัคร์บละเนนนนอาดาบุลอัครการลงโทษในโลกอัครีรอ อักบัตแปลว่าอะไรอ่าอัลลอฮอักบัตไหมใหญ่สุดตกลงว่าโทษบนดุญยานี้ถูกแล้วยังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมแต่จะไปเจอในโลกอาคือรอใหญ่กว่านี้อีเนี่ยเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้จะส่วนใยาจะเชื่อตอนตายพอตายมาอายาตายจริง ดนานบีมุฮัมมัดถูกอย่างนี้หรโทษนะดาอิสลามถูกโทษแบบนี้เลยไม่จายซะกาถูกโทษแบบนี้เรยไม่นามาตเนี่ยถูกโทษแบบนี้เรอทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองถูกลงโทษแบบนี้เรอสํานึกตัวนะตอนไหนตอนตายอเนี่ยวะลาอัลอ า, าบุลอาคีรอติอักบัตแน่นอนการลงโทษในโลกอาคีรอ น, นั้นอักบัตตะว่าอะไนะ ยิ่งใหญ่ใหญ่สุดหลีกเลี่ยมก็ไม่ได้ด้วยอย่าร้อเล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองเลากานูยาลมูถ้าหาเขาทั้งหลายได้รู้รู้ด้วยการรู้ด้วยการเรียนอิสลามรู้ด้วยการอ่านหะดีตจากสุ น, นันผมมีหะดีตกับประมาณสักสีห้าะดีตพออ่านกันให้น้องฟังนบีฝันอย่าลืมนะ คำฝันของนบีเป็นเรื่องจริงฝันเราต้องหาสาม <c oughs> นนบีสอนนะมาจากตัวเรามาจากไซต์ตอนมาจากอัลลอฮ์ต้องหาสามแต่ฝันของบรรดานาบีนะั้นเป็นจริงบนเดือนนี้ของนบีมุฮัมมัดนบีฝันอย่างนี้นะครับ <c oughs> ฝันบอกว่ายิบรีนอะไรฮิสซลามกับอีกท่านหนึ่งเมริกาเมกาอีเนี่ยพา พาณดีไปไปเดินท่านคนกลุ่มหนึ่งเอาหินโคกศีษะตนเองยิบรีนสองท่านอันมาลายการยิบรีนกับมาลายการมีกาอินสองท่านมีพาท่านณบีไปไปในที่แห่งหนึ่งไปเจอคนกลุ่มหนึ่งเอาหินนี่โคกศีษะตัวเอง นบีถามว่าเขาโคมงทำไมนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วโคมงอยู่ได้ยิบรีตอบมีอยู่สองสาเหตุเหตุที่หนึ่งยานามอสัอสอนดุสวละอัลมกเวลานามาชอกนอนไม่นามาแต่ไ ป, ไปเอานอนไง <c oughs> เรามีกนไมไม่มีนะ <c oughs> มีก็ได้เชิญตามสบายเดี๋ยวเจออาเกิรอยอั ก, อ ก, อกบัตใหญ่กว่านะฉะนั้นนอนบนดวยาันทร์เพลินไหมเพลินครับมีแอร์คอนดิชั่นโอโ้โหแต่ไปเจออาจารย์อักบัตใช่มั้ยการลงโทษในโลกอาคือร้อยใหญ่กว่าก็คือเอาหินโคกสิสาวตัวเองทุกคนที่ไม่นะมานีทุกคนที่ไม่นะมา น, ะ น, มนมาเจอหมดอ๋อ โลกนี้มีประชากรเท่าไหรเจ็ดพันล้านคนที่สูญอยู่ตอลอดมีเท่าไหร่นึก เราก็ถูกไม่มีไม่หาผมจะน้อมรับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังผมสอนเขาด้แต่าเพราะว่าผมไม่มันมันมันถูกตาหน้าบกคณะใหม่มันจะฟังเหรอมันไม่ฟังอยู่แล้วอะ่พะพอคณะใหมใน่นี่พาลงนรกนเขาใจอย่างงั้นนะ่ะจางนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับอยู่บนดุญยานี่ <c oughs> ถูกทำทาทำททำ ท, ำ ท, ำ ท, ำ ท, ำทำความชั่วเอาไวนะ้น่ะ แต่ไ ม, แไ ม, แไม่แต่ไม่รู้สึกตัวนะไปเจออาดาบอาคือเราอะไรบ้างคนที่มีเงินไม่จ่ยจสากาศไปในวันเตียมะแค่นอนตาอยู่ในกุโบนะครับอัลลอฮ์จะให้งูนะครับหัวล้านและมีเขียเ้ยวยาวมารัดคอของเขาในวันเกียมะแล้วก็พูดว่าอานา ม, มาลูกะ อันหนักการสุกัดันนี้เป็นศักด์สินของเขาฉันเนี่้เป็น โอ้พปน้องครับหนักเด้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องเรื่องเยอะอธิบายเยอะนะจ๊บ <c oughs> อะไรอย่างอย่างคนที่นินทาคนเพลินไม่เพลินด่าคนนะเพลินไหมเพลินใช่ไหมลนะ่ะเล่าให้มีฟังเล่าให้ลูกฟังแต่ที่ไหนพระในวันกิยามาเนี่ยนบีผ่านมาเห็นคนเนี่ยอะไรนะ เล็บของเขายาวเนี่ยเล็กทําด้วยทองทองเหลืองนะแล้วก็ขวนหน้าของเขานะั้นพี่สาวไม่กลุ้มไหนนะคนที่อยู่บนดุนยาเนี่ยหลือหุอ้มคนที่ชอบนินทาคนแล้วก็ไม่ยอมตอบบ้าตัวต่อหรอกนี่เล่าให้ฟังพี่น้องไม่เชื่อก็ได้ใช่ไหมที่ว่าการลงโทษในอาลาบในวิชวรมันยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่อย่างนี้ อย่างนี้นต้นนะครับอัล่อมัจยาที่ี่สิเจ็ดวะดาโคดดรอบนาลินาซีฟีฮ آ ซัลกุรอานมิ่งุลิมาสลละัลลัฮุมยะตาตกะรุน والقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل ال ل ل ع م يتذكرون อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล l l a h u a ล b a r a อ h ล m d u l i l ล a อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอับลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออ อุปมาเปรียบอุปมายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพื่อเขได้เข้าใจง่ายๆในคำพีเศุรานี่นะลินหน้าสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายฟีในฮาดัลุรานคุรานเล่มนี้ในคำพีกศษุรานเล่มนี้อัลลอฮฺได้เล่า นะครับให้มนุษย์เข้าใจง่ายๆโดยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุทาหอนให้ฟังอยู่ที่การอธิบายอธิบายง่ายๆกับคนเข้าใจง่ายอธิบายยากคนฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อ่ายกตัวอย่างนี้นนครับกลิมะเตาเฮตอะไรละอีละอละลอใช่ไหม อัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบในคัมภีร์กุรอานสุร่์อิบรอฮมเนี่ยคนที่กล่าวว่าลาอิลาฮฺอิละละละเปรียบเสมือนต้นไม้ชาดาิรอต้นไม้ที่ดีงามมีใบไม้มีกิ่งก้านสูงแล้วก็มีรากลึกแล้วก็ออกผลในทุกๆฤดูกาล ไม่มีวันหมดอายุเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งฉะนั้นกาลิมะเตาฮีตลออิเลฮะอิลลอหเปรียบเสมือนอะไรต้นไม้กาชาดาโรตินตอยยืบบตินใช่ไหมอัสลูฮะฟิสซามเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่กิ่งก้านของมันชูขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็รากของมันเนี่ยโอ้โหยาวอายุเป็นพันพันปีมีปะ่ะมีครับ คือในประเทศไหนต่างแขกหนึ่งเนี่ยคือลงเอาข่าวลงมาเนี่ยแล้วต้นไม้ตัวนี้นะบีคเคยไป น, นั่งนั่งทักแล้วอายุตั้งเป็นพันๆปีนะพันสี่รอยกว่าปีเลยต้นไม้นี้ยังอยู่นะฉะนั้นกาลิมาเตาฮิไม่มีวันหมดอายุต้องการจะอธิบายว่าคนที่กาวัลลอฮิลาอัลอลอฮลาลอตายไปแล้วกาลิมานี้ยังยังมีอยู่ไม่หมดอายุ เข้าใจไหมไอนคนที่เป็นมุสลิมคนที่กล่าวกาลิมานี้ลออิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอสูลลลอฮ์เนี่ยอยู่ไปตลอดไม่มีวับนหมดอายุแล้วก็คนที่ไม่มีกาลิมานีเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกันที่รากของมันเนี่ยไม่ลึกใบของมันกิ่งของมันมาอาจจะใหญ่เวลาลมพายุมาพังไหมโคน่นนะั่นีิเราเห็นใช่ไหมล่ะ อัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกบุนยาตรบนี้เปรียบสเสมือนต้นไม้ใหญ่ลมพายุมายกรากโคนลอยใช่ไหมที่เราเห็นใช่ไหมนั่นเปรียบสเสมือนกุฟอิสลามกับกุฟไม่เหมือนกันอคนที่ยืดอัลลอฮ์ยืดรสูนนมาถ่าเวลาอ่านกุณอ่านซิกุรุลลอฮบริจาคให้อภัยคนทําดีกับพ่อแม่ทําเพื่ออัลลอฮ์นี่นะหมดอายุไม่มีครับ แล้วก็คนที่มาด้ทำงานเพื่ออลัลลอฮ์เนี่ยนะครับหมดอายุมีไหมมีครับเปี่ยวเสมือนต้นไม้ใหญ่ๆแต่เป็นต้นไม้ที่ไม่ดีผลไม้ไม่ออกตามตามฤดูกาลเวลาลมพายุมาโค่นหมดเลยรากขึ้นมานกงรากแก้วลอยหมดเคยเห็นใช่ไหมนั่นละเปรียวเสมือนกุฟการปฏิเสธอลัลลอฮ์ปฏิเสธเขาสู้ไม่เชื่อก็ได้ตัวตามสบายและอีกเรื่องหนึง่ง ก็เลยยกยกตัวอย่างภรรยานาบิลูดกับภรรยาอับดินนัในกูอานอธิบายไหครับบอรมันลอฮ์มัสสลิลลัลลนะกาฟารุมรออัตโนฮิววมรออัตลูดนีพภรรยานาบิลูดกับภรรยานาบินะนะัน่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันกันกบสามีที่เป็นคนสอน นอนบนที่นอนเดียวกันกินหมอ้อข้าวหมอ้อเดียวกันกับสามีที่เป็นคนดีเป็นนบีของอัลลอ์แต่เมียไม่เชื่อว่าอัลลอ์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าสามีตัวเองเป็นรอยูลอัลลอฮ์ตกนรกใช่หรือไม่ใช่นี่อัลลอฮ์อธิบายนะกับเพื่อคนอ่านแบบง่ายๆอย่างนี้เองยังไม่เข้าใจก็เชิญตามสบายเถอะนะามาดูภรรยาของนบีเนบีของเิรงกู อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนใช่ไหมสมัยเฟรอนโอนนบีอะไรครับนบีมูซาภรานบีภรยาเฟรอนโเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็เชื่อผ่านนบีมูซาภรานบีภรยาเฟรอนโไปไหนไปไปสวรรค์ครับลอรอเบลล่าุมาสลลิลลาฮิณ่ามนุ่งราตเฟรอาวเห็นไหมภรยาเฟรนโอนไปสวรรค์ครับ ขายานาบีรู้กับนบีนัวไปนรกครับอยู่บ้านเดียวกันกับคนดีแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันกับคนชั่วแต่หัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์ยึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลอัลลอฮ์ไปไหนไปสวรรค์แต่ไง น, นี่เรื่องอย่างนี้นะอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหารณ์หนังสืออักุรอานให้เข้าใจง่ายๆเองยังไม่เข้าใจก็พยายามขออุดมอารต่อแต่อัลลอฮ์ยังไม่เปิดหัวใจนะต้องรอไปก่อนอายุสุดท้ายโอบทเวลาบดี คุรานันอารับยัน48นะครับุรานอารับยันคุรานันอารับยันไร้รู้จักละหละมุมจะต้องคุรานันอารับยันไร้รู้จั ละอัลลอฮุมยัตตะคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เดียจริงคุรานคุเน ah, ี uda, ่ยคำว่าคุรานเนี่ยมีชื่ออยู่หลายชื่อนี่คือคิาอัลฟุร์กอใช่ไหมที่เรียนมาแล้วนะอัลฮิคมาอัลฮูดาอัลบุรฮานอัลบายานอัลมาจิดอัลชิฟะเป็นยาโรซาลุคุราน อัลลอฮ์รับรองคำพีคุรานว่าเป็นภาษาอาหรับเห็นไหมครับอาหรับิยันค<ม>ุรานเป็นภาษาอาหรับภาษาในโลกนี้ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีบราระกับเพราะกุรานถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับนมาตถ้าอ่านภาษาอื่นได้ไหมอัลลอฮ์ไม่รับ นี่น บ, บีมัดสอนเองแต่ตุรกีทามาแล้วอโศงอาณาเนี่เปลี่ยนหมดเลยนะเนี่ยเป็นลุกน้องยิวหรือน้องยาฮู ด, ดีส่งมาปกครองอานพี่น้องเชื่อมุสลิมวันนี้อุ ด, ดูกรเคออกหมดแล้วตายหมดแล้วใช่ไหม <laughs> ฉะนั้นภาษาที่มีบระกัดคือภาษากุรานเห็นไหม นั้นกุรอานั่นอารบิยันคัมภีรกุรานเราได้ประทานอัลกุรานลงมาเป็นภาษาอาหรับสบาใจไหมฉะนั้นคนจะเรียนภาษาอาหรับให้ลูกเรียนภาษาอาหรับเราเรียนภาษาอาหรับให้พยาเรียนภาษาอาหรับเรียนซะเรียนตอนแก่ได้ไหมได้พอเรียนไปแล้วก็ตายเลยกันดีท่านไม่ดีฉันเป็นนักเรียนภาษาอาหรับแล้วก็ตายอัลฮัมดุลิลลา ข้อมูลอ่านให้จําเยอะๆฮัฟฟิศคนแรกใครในโลกเนี้ยนะบีมอามัดคนที่สองภรรยานนบีเห็นไหมฉันภรรยา น, นบีก็ท่องจํากูร์านทั้งหมดเขาไม่ดูละครอ่ะตี๋ทำไมอยู่สมัยก่อนที่ไม่มีทีวีไงไกรโรดีไอวัตเจาะไกรอแปลว่าไม่มีการไอวัตแปลว่าคตเที่ยว ฉะนั้นความรู้จะอัลกุรานเรื่องขดัดคดเคี้ยงแปลว่าขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันแล้วก็แปลว่าข้อสงสัยไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อคางแคลงสงสัยในเรื่องนั้น็นคุรานเพราะอ่านแล้วเราเปิด ใ, ah ใจที่เคนเราคน ร, ารับอิสลามกันหมูดแล้วตรงนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับหลานละหุยตะกูลเพื <S <s ่อท่านทั้งหลายจะได้รับ จะได้สำรวมตนจากความชั่วแะ่นั้นตั ก, กวลกับอีมานต่างกันนะอ่านกุรานเนี่ยไม่กล้าทําความชั่วใช่ไหส่วนอีมานนั้นเนี่ยอยากจะทําความดียัดตากูลเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำรวมตนจากความชั่วหมายถึงจะไม่กล้าทําความชั่วอ่านกุรานศึกษาหาความรู้จากกุรานเรียนภาษาอรับเยอะๆนี่แลอ่านหะดิษด้วยนะจะไม่กล้าทาความชั่ว พ อ, อมา م ا ن เพิ่มแล้วอยากจะรักษาธรรมาตหาัยศอยากจะอ่านกุรานอยากจะบริจาคอยากจะทำความดีกับภรรยาอยากจะชมภรรยาอยากจะหาพ่อแม่อยากจะให้อภรรยัยกับคนนั่นอีมานหมดเลยครับจะนั่น إيمان กตวามของคู่กันกันเราต้องมีทั้ง إ ي م านและกตตวาหมดเวลาครับ س ุองะเจ้าุมมบิฮัมดีกัสวลลอิลลอฮอิลลอฮอันตะอัสตะฮุลุคาวะตูบอิลลาอิฟุลลัลลอฮุมะลาอิมฮัมมัด وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين و ا ل ح أ م د لله رب العالمين